บทที่19อุบาสิกาทองรินตอนสายของวันที่8ทธันวาคมพุทธศักราชสองันห้รกท่านพระครูกำลังสอบอารมณ์ให้อุบาสิกาทองรินโดยมีนายสมชายนั่งคอยรับใช้อยู่ห่างๆทุกครั้งที่มีการสนทนากับสตรีชนิดตัวต่อตั ว, ตว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 แม้ในสมัยพุทธกาลเรื่องเช่นนี้ก็เคยปรากฏดังกรณีของพระอนน์เถระซึ่งถูกนางภิกษุณีรูปหนึ่งวางแผลล่อลวงให้ศึกด้วยนางสนิทเสน่หาลหลงไหลในรูปโฉมของพระอ น, น์ยิ่งนักหากเพราะมีการตั้งสติไว้เฉพาะหน้าระวังใจไม่ให้แปรปรวนท่านพระอนน์จึงรอดพ้นจากกลวงของภิกษุณีรูปนั้นได้ ทั้งอย่างเทศนาโปรโดนางให้สำนึกรู้ในผิดชอบชั่วดีอีกด้วยไงโยมมีอาการอย่างไรบ้างพองยุบชัดเจนดีไหมท่านถามอุบาสิกาวัยสี่สิเศษซึ่งอุตสาเดินทางมาจากกรุงเทพมาเข้ากรรมฐานหล่อนตั้งใจมาอยู่วัดเจ็ดวันแต่ท่านให้อยู่ส5้าวันเพราะเห็นหนอบอกว่าหล่อนกำลังมีเคราะห์ เจ้ากรรมนายเวรก็าตามมาเอาชีวิตภายในสิห้าวันหากหล่อนปฏิบัติกรรมฐานอยู่แต่ในวัดก็จะพ้นเคราะห์ออกไปนอกวัดเมื่อใดจะต้องถูกรถชนตาย ท, าทันทีเพราะว่าดวงของหล่อนจะต้องตายโดยอุบัติเหตุอย่างที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตายโหงท่านจึงกำชับนะักกำชับนาไม่ให้หล่อนออกไปไหน บางทีก็ชัดบางทีก็ไม่ชัดค่ะนางทองรินตอบพระบวัวเฮียวจะมาให้ท่านสอบอารมณ์เช่นกันคลันเห็นท่านกำลังมีแขกจึงหันหลังกลับแต่ท่านพระครูเรียกเอาไว้มีอะไรหรือบวัวเฮียวเข้ามาคุยกันก่อนสิพระนมเดินเข้ามานั่งในที่อันสมควรแล้วจึงทำความเคารพพระอุปชา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 สองสามวันมาเนี่ยดิฉันปฏิบัติไม่ค่อยได้ผลเลยค่ะทำไมล่ะคิดถึงบ้านหรือไงไม่คิดถึงค่ะแต่มันง่วงเหงาหานอนตลอดเวลาเดินจงกรมก็ง่วงนั่งสมาธิก็ง่วงนั่งสปงกน้ำลายไหล ย, ยืดเลยใช่มหมท่านถามปพระทราบดีว่าอาการเช่นนี้เกิดจากอะไรค่ะแม่ หลวงพ่อพูดราวกับเคยเห็นหล่อนพูดเขินๆทั้งเคยเห็นทั้งเคยเป็นเชละโยมที่มีอาการอย่างนี้เพราะว่าถูกถีนมิทธะนิวนครคอบงามโยมกำลังผจญมารเจ้ามารตัวเนี้ชื่อถีนมิทธะเป็นนิวรตัวทำให้จิตหดหูซสื่องซึมเกียคร้านง่วงเหงาหานอนอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะกำจัดมันได้อย่างไรครับ พระบัวเยียวถามเพราะกำลังประสบปัญหาแบบเดียวกันวิธีกำจัดทินมิทะนิวรนก็ทำได้โดยบริโภคอาหารให้น้อยลงปรับเปลี่ยนอุรยาบทบ่อยๆเช่นยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างสลับกันไปอีกวิธีหนึ่งคืออยู่ในที่โลง่งแจ้งและที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความเพียร ตั้งจิตแน่วแน่ ว, ว่าจะต้องเอาชนะมันให้ได้การทำความดีนี่ยากจังเลยนะหลวงพ่อดิฉันชักท้อใจซะแล้วสตรีวัย4ี่สิบเศษเผยความรู้สึกท้อไม่ได้สิโดยเฉพาะเวลานี้โยมกำลังมีเคราะห์ถ้าโยมท้อถอยต้องลำบากแน่อย่าลืมพุทธภาสิต ท, ที่ว่าวิริเยนะทุกขมัตเจติ บุคคลจะล่วงทุกได้ก็เพราะความเพียรโยมจำข้อนี้ไว้ให้ดีก็แล้วกันแล้วก็เร่งปฏิบัติเข้าจะพ้นทุกได้ท่านให้กำลังใจสตรีวัยกลางคนผู้หนึ่งครานเข้ามากราบท่านพระครูแล้วพูดขึ้นว่าหลวงพี่จำฉันได้หรือเปล่าใครจะจำแม่ครัวฝีมือเอกที่ชื่อบุญรับไม่ได้ล่ะหายหน้าหายตาไปเลยนะ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 ฉันน่าอยากมาทุกวันนั่นแหละแต่จนใจด้วยหนทางมันไกลไปมาลำบากคิดถึงหลวงพี่ทุกเวลานาทีเลยนางพูดพลางชำเลืองไปทางอุบาสิการน่งขาวห่วมขาวที่นางสงบเสงี่ยมอยู่ต่อหน้าท่านพระครูครั้นเห็นหน้าตาหล่อนชัดเจนนางบุญรับให้นึกเกลียดขึ้นมาทันที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 เลยนั่งค้อนขวับขวับโดยที่อีกฝ่ายไม่ทันรู้ตัวท่านพระครูนึกขำสงสารอุบาสิกาก็สงสารที่หล่อนช่างมีเจ้ากรรมนายเวรมากมายเสียจริงๆโยมมีอะไรจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็กลับไปที่กุฏิได้พรุ่งนี้อาตมาไม่อยู่จะไปงานแต่งงานหลานที่โคกสำโรง ย่อมีอะไรข้องใจก็เก็บเอาไว้ถามช่วงบ่ายก็แล้วกันอย่าลืมว่าห้ามออกนอกบริเวณวัดโดยเด็ดขาดเอาละไปได้แล้วนางทองริงกราบภิกษุทั้งสองแล้วก็ลุกออกมานางบุญรับมองตามพรางคว้างค้อนใส่มันไส้นางขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพูดไปมันไส้อะไรเขาละ่ะข้าไม่เห็นเขาทำอะไรให้แกสักหน่อย กับคนคุ้นเคยท่านใช้คำว่าข้าและแกก็ฉันเกลียดมันดูมันเดินเข้านั่นตูดบิดไปบิดมาหน้าทุเรศจริงนางบุญรับไม่ฟังเสียงอา้าวไหนแกลองลุกขึ้นเดินไปสิโนดเดินไปทางโ น, น้นท่านพระครูสั่งนางบุญรับทาตามเดินไปได้สักสี่ห้าเมตร ท่านพระครูจึงเรียกให้กลับมานั่งที่เดิมนี่แหน่แม่บุญรับนับวิชารู้ตัวหรือเปล่าแกน่ะเดินตูดบิดหน้าเกลียดยิ่งกว่าเขาเสอีกแล้วยังจะมีหน้าไปว่าคนอื่นเขาท่านตั้งใจสอนนางบุญรับทางอ้อมหากฝ่ายนั้นหารู้ตัวไม่ก็มันเกี่ยวอะไรกับหลวงพี่ละ่ะฉันจะเดินยังไงมันก็เรื่องของฉัน อดีตแม่ครัวฝีมือเอกพูดงอนๆมันก็เหมือนกันนั่นแหละโยมคนนั้นน่ะเขาจะเดินยังไงก็เรื่องของเขาและแกไปมั่นไสเขาทำไมละ่ะก็ฉันเกลียดมันนางไม่กล้าบอกว่าเพราะผู้หญิงคนนั้นหน้าเหมือนภรรยาใหม่ของสามีเก่าแต่ท่านพระครูก็รู้จึงพูดขึ้นว่าข้ารู้นะว่าแกเกลียดเขาทำไม เข้าหน้าเหมือนเมียใหม่ของผัวเก่าใช่ไหมละ่ะคราวนี้นางบนรับเสียงอ่อยว่าถูกและจ้ะแม่หลวงพี่นีแสนรู้จริงๆรู้ไปหมดทุกเรื่องเลยพับพ่าสิโยมพูดกับพระกับเจ้าให้มันดีๆหน่อยเดี๋ยวจะบาปจะกรรมเปล่าๆพระเบือเหวเตือนอย่างหวังดีนางบนรับเลยพานเกลียดไปอีกคน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 มาถึงกอดแชทแชชว่าคนโน้นเกลียดคนนี้นิสัยไม่เปลี่ยนเลยนะเรานะี่ยท่านพระครูว่าตรงๆแต่นางบนรับไม่โกรดท่านจะดุจะว่าอย่างไรนางไม่เคยถือสาเหมือนกับที่ท่านไม่ถือสานางสมัยที่มาช่วยทําครัวหล่อนเที่ยวทะเลาะกับคนโน้นคนนี้ถือตัวว่าทําอาหารอร่อย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 สมพานใบห้าสิบแกล้งยั่วโอ้ยไม่เอาหรอกเรื่องอะไรจะให้ฉันไปอยู่กับคนที่เกลียดนางปฏิเสธอ๋อต้องให้อยู่กับคนที่รักใช่ไหมงั้นก็มาอยู่กุฏิข้าเสียเลยดีไหมละ่ะท่านประชดทำไมจะไม่รู้ว่าสมัยสาวๆนางบนรับหลงรักท่านยังกับอะไรดีถึงขนาดหายใจไปหลงพี่เจริญนั่นเทียว แม่ถ้าได้อย่างนั้นก็แจ๋วนะสิแทนที่จะอายนางกลับว่าไปโน่นท่านเจ้าของกุฏิรู้สึกสังเวชที่ผู้หญิงอายุร่วมห้าสิบแล้วแต่ยังไม่รู้จักปล่อยวางเออทำพูดดีไปเถอะนรกจะกินหัวแกแม่รู้ตัวน้อยจะวอนเหตุขาดเดือดร้อนแล้วไม่ละ่ะประเดี๋ยวผัวเก่าผัวใหม่แกมาช่วยกันรุมฆ่ารอก ฟังนางบนรับพูดจาโต้อตอบกับท่านพระครูแล้วพระบัวเหียวรู้สึกไม่ชอบหน้าผู้หญิงคนนี้เอามากๆท่านไม่รู้ตัวดอกว่ามานที่ท่านจะต้องผจนเป็นลำดับต่อไปก็คือพยาบาทนิวรตกลงหลูงพี่จะให้ฉันพักที่ไหนละ่ะนางถามก็ไปเลือกดูเอาเองก็แล้วกันที่ไหนว่างก็พักได้หรือจะพักที่เมนนั่นก็ได้ ตอนนี้ยังว่างอยู่ท่านพูดประชดแหมหลวงพี่แช่งอิบุญรับเสียแล้วใช่ไหมล่ะฉันยังไม่ยอมตายง่ายๆหรอกต้องรอเผาคนที่ฉันเกลียดเสียก่อนนางหมายถึงพระบวยเหี่ยวและอุบาสิกาคนนั้นอ๋อนี่แกกำหนดวันตายได้งั้นสิข้าเห็นมานักต่อนักแล้วบุญรับเอ้ย ไอท้ทีเที่ยวแฉ่งคนน้นคนนี้นะ่ะตัวเองตายก่อนเขาทุกรายแช่งอีกแล้วแหมมาคราวนี้สวยจังถูกหลวงพี่แช่งอยู่เรื่อยนางบนก็ะปอดกับแปดชายอายุประมาณหสิบรูปร่างอ้วนเตีย้ยสีษะล้านเดินเข้ามาในกุฏิพนมมือพูดกับท่านพระครูว่าหลวงพ่อ ผมมาขอยาแก้หืดหอบอีปุกลูกสาวผมหอบใหญ่แล้วในป่วนซึ่งมีบ้านอยู่ติดวัดบอกท่านพระครูด้วยท่าทางกังวลใครเขาบอกให้มาเอาละ่ะท่านย้อนถามก็ไอปองลูกชายผมมันบอกว่าเพื่อนมันเคยเป็นมาขอยาหลวงพ่อไปกินแล้วหายผมก็เลยมาขอมั่งในป่วนชี้แจงพลางนั่งลง ข้าไม่มียูกไมยาอะไรหรอกแต่ถ้าจะให้หายหืดหอบก็ไปเอาต้นตําแยแมวมารกรูแล้วก็แช่กับน้ํำซาวข้าวให้มันกินเขาว่าชะงัดนักมีคนหายมาหลายคนแล้วรู้จักไหมล่ะต้นตําแยแมวนะ่ะที่หลังวัดเราก็มีรู้จักครับดีแล้วถ้าไม่รู้จักก็เอาแมวไปด้วยตัวหนึ่งเอาไปทําไมครับ อ้าวก็เอาไปพิสูจน์นะสิลองถอนสักต้นหนึ่งให้แมวมันกินถ้าไม่ใช่ใบตำแยาแมวแมวจะไม่กินถ้ามันกินก็แปลว่าใช่ท่านอธิบายแล้วเอาส่วนไหนของมันมาโคลกแช่น้ำเสาข้าวครับเอาทั้งต้นทั้งรากด้วยก่อนโคลกให้ล้างให้สะอาดเสียก่อน เอาให้คนไข้ดื่มรับรองว่าหายและไม่คันหรอครับหลวงพ่อพระบูเหียวถามขึ้นชื่อว่าตำยมันก็ต้องคันไม่คันตำยถึงจะคันแต่ตำแยาแมวไม่คันเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งท่านตอบ ฉันไปหาที่พักก่อนนะหลวงพี่นางบนรับกราบสามครั้งแล้วก็ลุกออกไปไม่วายพูดเสียสีในป่วนว่าแม่เจ้เว้ยวันนี้มันวันอะไรวุ้ยถึงได้มาเจอพระอาทิตย์ขึ้นบนหยกระเทียมแกว่าใครในป่วนถามเสียงตะคอกนางบนรับไม่ตอบ ก, ก้าวฉับๆออกไปจากกุฏิ ในป่วนจึงหันมาถามท่านพระครูว่าอินี่มันเป็นใครครับหลวงพ่อปากหมาๆอย่างเนี้ยประเดี๋ยวผมตบล้างน้ําเสียเท่านั้นไม่รู้จักไอป่วนซะแล้วชายวัยหกสแสดงอาการกโกรธเกลี้ยวแม้บ้านจะอยู่ติดวัดแต่ในป่วนก็ไม่เคยเข้ากรรมฐานจึงไม่รู้จักนางบุญรับและกําหนดกโกรธน้อไม่เป็นท่านพระครู จัดในป่วนไว้ในประเภทใกล้เกลือกินด่างอย่าไปถือสาแก่เลยตะป่วนเอาละ่ะกลับไปหาตำยาแยแมวมาปรุงยาให้ลูกกินซะอย่าได้มีเรื่องมีราวกันในวัดเลยเลึกว่าเห็นแก่ค่าเถอะในป่วนจึงกล่าบ ป, ประกประกสามครั้งแล้วก็ลุกออกไปหาต้นตําแยแมวทางหลังวัดคิดว่าถ้าเจอใยายคนปากเสีย ก็จะด่าให้สักสองสามชุดโทษฐานที่มีวิจารณ์รูปโฉมนมพันของแกเธอมีข้อข้องใจสงสัยอะไรมาถามหรือเปล่าท่านถามพระบัวเยวหลังจากที่คนอื่นๆลุกออกไปหมดแล้วก็มีเหมือนกันครับเรื่องเถีนวิธานิวร์ผมเข้าใจแล้วตอนที่หลวงพ่ออธิบายให้โยมทองรินฟัง แต่ที่นี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งที่เจ้าเรียนถามหลวงพ่อคือหมูนี้ไม่รู้เป็นอะไรเวลาฉันอาหารผมรู้สึกว่ามันอร่อยไปหมดแม้แต่น้ำที่ดื่มลงไปก็ยังรู้สึกว่ามันอร่อยนั่นเพราะเธอติดในรสกามฉันทานิวรกำลังครอบงาเธอเพราะรสจัดเป็นกามาคุณอย่างหนึ่งในห้าอย่างแบบนี้ผิดไหมครับ ผิดสิถ้าเป็นคนทั่วไปก็ไม่ถือว่าผิดแต่เป็นนักปฏิบัติก็ถือว่าผิดเพราะถ้ามัวติดในรูปเสียงกลิ่นรสหรือว่าสัมผัสการปฏิบัติมันก็ไม่ก้าวหน้านี่มันผิดในแง่นี้เราจะแก้ไขอย่างไรครับก็ตั้งสติพิจารณาเสก่อนจึงค่อยชันพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่า กายนี้เกิดขึ้นด้วยอาหารอาศัยอาหารแล้วพึงละอาหารเสียอันนี้ก็หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าท่านถามเองตอบเองเสร็จพิกษุในธรรมวินัยนี้ทุกครั้งที่บริโภคอาหารต้องพิจารณาโดยท่องแท้เสียก่อนว่าจะไม่บริโภคเพื่อเล่นไม่บริโภคเพื่อมัวเมา ไม่บริโภคเพื่อประเทืองผิวไม่บริโภคเพื่อตกแต่งร่างกายให้งดงามแต่บริโภคเพื่อดำรงไว้ซึ่งกายนี้พอให้อัตภาพนี้ดำเนินไปได้กับเพียงเพื่อระ ง, งับความหิวกระหายเพื่อประพืชพรหมจันทร์โดยคิดว่าการบริโภคนี้เป็นเครื่องระ ง, งับเวทนามิให้เกิดขึ้นจะได้ประพฤติสื่ไปด้วยความสะดวก ได้ความผาสุกพอสมควรเริ่มแต่พิสษุนั้นอุปสมบทก็เริ่มละอาหารไม่บริโภคในเวลาที่เขาบริโภคกันวันละหนึ่งเวลาบ้างสองเวลาบ้างละอาหารที่พระวินัยห้ามบ้างบริโภคอาหารตามมีตามได้โดยบริโภคเพียงแต่ว่าเป็นธาตุเพื่อเป็นที่ทำรงอยู่ของธาตุให้กายนี้เป็นอยู่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 เถ็นมิธาอุทจักกุกุ จ, จักหรือวิจิกิจาัาหมายความว่านิวร์แต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นละไม่ได้เลยถ้าไม่มีโยนิสโสมนสิการใช่หรือเปล่าครับถูกแล้วเอาเถอะเมื่อเธอปฏิบัติสูงขึ้นไปจะเข้าใจพระอุปชาแนะนำเนื่องจากมีประสบการณ์มา ก, ก่อนหลวงพ่อครับ ทำไมคนเข้าวัดทึงอย่างเอาดีไม่ได้ล่ะครับอย่างโยมบุญรับนั่นหลวงพ่อบอกเข้าวัดมาหลายปีผมก็เห็นแกยังละอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวรู้สึกแกเที่ยวขวางเข้าไปหมดคนเข้าวัดเข้าวาน่าจะเป็นคนดีพระนมตำหนิไกลๆพระอยู่ในวัดแท้ๆก็ยังเอาดีไม่ได้นี่นา บางคนบวชตั้งแต่เป็นเนนอายุพรรษาตั้งหกสิบเจ็ดสิบยังไม่เดวเรื่องนับราษาอะไรกับคนอย่างยายบุญรับเล่าท่านออกเสียงเล่าเป็นเสียงเล่านินทาอะไรฉันอีกละ่ะนางบุญรับเข้ามาทันได้ยินชื่อตนเข้าพอดีก็เลยถามพันพานมาก็ดีแล้วไงได้ที่พัก เป็นที่พอพระเจะ้าหฤทัยหรือยังท่านพระครูประชดหากนางบุญรับก็ตอบว่าได้แล้วเพคะเสด็จพี่หม่อมชันกำลังจะมากราบทูลให้ทรงทราบอยู่พอดีพอแล้วพอแล้วแม่บุญรับไม่ไหวท่านพระครูรีบโบกมือห้ามบุญรับเฉยๆจ่ะแม่กำลังเล่นลิเกสนุกสนุกไม่น่ามาห้าม ถึงจะเป็นลิกเกหลงโรงก็เถอะฉันจะมาบอกหลวงพี่ว่าได้ที่พักตรงข้ามกุฏิแม่นั่นประเดี๋ยวเธอแม่จะแกล้งซะให้เสด็จไปเลยนางพูดอย่างหมายมั่นขอทีขอทีแม่คุณแม่มหาจำเริญ คนเขาจะมาสร้างบนสร้างกุศลอย่าไปเป็นมารขัดขวางเขาเลยนี่ฉันจะถือโอกาสเทศแกสักหน่อยแกน่ะมันแย่น่ะบุญรับนากรมาฐานก็เคยเข้ามาแล้วไงถึงไม่ดีขึ้นเลยแย่ยังไงคะหลวงพี่ฉันอุสาหวังดีมาช่วยทำครัวหลวงพี่ยังมาว่าฉันอีกนางเถียงจอดจอด ยังยังไม่รู้ตัวอีกเอาเธอเอาเธอนั่งลงเสิให้เรียบร้อยยืนพูดกับพระมันไม่สวยยิงวัยเกือบห้าสิบนั่งลงท่านพระครูพูดต่อไปว่าฟังให้ดีฉันจะสอนให้เอาบุญการที่แกตั้งใจมาช่วยทำครัวนั่นดีแล้วถือว่ามาสร้างกุศลก็ในเมื่อตั้งใจมาทำบุญแล้วจะมาทำบาปเสียทำไมกันละ่ะ ฉันไปทำบาปอะไรที่ไหนนางบุรับไม่วายเถียงทำไมจะไม่บาปก็ว่าจีทุจริตนั่นไงทั้งพูดปดพูดซอเสียดพูดคำยาพูดเพ้อเจอ้อครบเลยในตัวแกเสียวแรงที่อุตส่าห์มาเข้าวัดสู้บางคนที่อยู่บ้านยังไม่ได้นางบุรับรู้สึกรําคาญเนื่องจากไม่ชอบให้ใครมาติ จึงแกล้งปดท่านว่าจ้ะหลวงพี่ฉันก็จะพยายามแก้ไขให้เวลาฉันบ้างฉันขอตัวไปช่วยเขาทำครัวแล้วนะกราบประลกประโลกสามครั้งแล้วก็ลุกออกไปท่านพระครูสายหน้าอย่างระอาพูดกับพระโบเฮียว่าไม่ไว้ไม่ซึมซับสิ่งดีๆเลย คนอย่างยายบุญรับนับวันก็จะมีมากขึ้นประเภทเข้าวัดแล้วนั่งนินทาคนโน่นคนนี้ที่เขาว่ามือถือสากปากถือศีลมันก็เป็นวิบากของเขาคนที่มาเข้ากรรมฐานน่าจะละ ก, กิเลสได้นะครับหลวงพ่อมันก็ละได้แต่ก็เป็นการละได้ชั่วคราวคือตอนเจริญกรรมฐานจิตเป็นสมาธิ มันก็บริสุทธิ์ผ่องใสเพราะกิเลสมันถูกข่มถูกกดเอาไว้แต่พอออกจากกรรมฐานกิเลสมันก็ฟุ้งขึ้นมาอีกเหมือนน้ำใสที่มีตะกรอนนอนก้นเอามือไปกวนมันก็จะขุนการขจัดกิเลสให้หมดไปโดยสิ้นเชิงจึงไม่แช่เรื่องง่ายต้องมีขั้นมีตอนการปฏิบัติที่ละเอียดลึกซึ้ง ที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ปฏิบัติจะต้องมีความเพียรอย่างยิ่งยวดจึงจะประสบผลสำเร็จกิเลสตัณหามันอยู่กับเรามานานนมหลายภพหลายชาติมีรู้ที่มันจะยองไปง่ายๆถึงต้องปฏิบัติกันข้ามภพข้ามชาติเลยใช่ไหมครับถูกแล้วแต่บางคนก็ท้อถอยใจไม่สู้เลยไม่อาจจะตัดออกจากสังสารวัฏไปได้ ความเพียรเนี่ยสคัญมากนะโบเฮียวและก็ต้องเป็นความเพียรทิดถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาวายามะถ้าเป็นมิจฉาวายามะแทนที่จะทาให้หลุดพ้นกลับทำให้ติดแน่นอยู่ในสังสารวัตหนักเข้าไปอีกเรียกว่าการทาความเพียรก็ต้องมีโยนิโสมนสิการใช่ไหมครับถูกแล้วแม้รู้สึกว่าเธอเก่งขึ้นมากเชียนา สงสัยว่าจะหลุดพ้นในชาตินี้เสียละมั้งอุปชาสัพพยกสาธุสมพรปากพูดพร้อมกับยกมือขึ้นสาธุถ้าอย่างนั้นก็กลับไปปฏิบัติที่กุฏิของเธอได้อ๋อพรุ่งนี้ตีสีครึ่งฉันจะเปลี่ยนเวลาแล้วเลื่อนออกไปอีกครึ่งชั่วโมงประเดี๋ยวจะให้สมชายไปบอกรูปอื่นๆ พระบวัวเหียวกราบเบญจางขประดิษฐ์สามครั้งแล้วลุกออกไปขณะเดินกลับกุฏิแทนที่จะกำหนดซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนเช่นเคยก็เปลี่ยนมากำหนดวโยนิโสมนานสิการโยนิโสมนานสิการไปจนถึงที่พัก